ที่เป็นช น, นีก็เพราะว่าพื้นเพ จ, จริตอัธยาศัยของคนมีความยิ่งความย่อนแตกต่างกันธรรมะที่นำมาแสดง mm hmm. ก็จะมีการยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นฐานของผู้ฟังในกรณี น, นั้นๆ mm hmm. แต่เมื่อเรามองโดยสรุปแล้วก็จะพบว่าธรรมาทะทั้งโปรนั้นเป็นเรื่องของอริยสัจทั้งสี่ประการ เพียงแต่ในแต่ละครั้งนั้นจะเน้นในจุดใดแ่นันเองยังในกรณีของอเยตนาปปะซึ่งกล่าวขันมาโดยลำดับนั้นในส่วนของประสาทสัมผัสคือตาหูจมูกลิ้นกายตลอดทั้งตัวใจเองโดยสถานะแล้วก็เป็นกลางๆไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วอะไร เป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยมีส่วนประกอบหลักของดินน้ำลมไฟอากาศแล้วก็เพิ่มวิญญาณเข้าไปในส่วนจิตสิ่งที่เราสัมผัสจากข้างนอกซึ่งในที่นี้ทรงเน้นไปในแนวที่เกิดกิเลสแต่ก็สิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้นอนแข็ง เราถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมารมคือเรื่องที่เกิดขึ้นภายในใจก็เป็นสภาวธรรมที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมบรดาที่ทรงชายกับว่าเป็นธรรมทิจิคือมันตั้งอยู่ตามธรรมชาติของมันมีเงื่อนไขปัจจัยให้เกิดมันก็เกิดมีเงื่อนไขปัจจัยดำรงอยู่ก็ดำรงอยู่มีเงื่อนไขดับมันก็ดับ ซึ่งกระบวนการตรงนี้มีอยู่ในกลุ่มขดดินน้ำลงไอยอากาศทั้งหลายไม่ได้เจาะจงเฉพาะส่วนในยานตาภายในภายนอกของเราดินน้ำลงไอยอากาศข้างนอกก็เป็นเข้ามาได้างน้นเป็นธรรมธิติคือตั้งอยู่ตามธรรมชาติเข้ามาเป็นธรรมนิยามคือมีกฎเกณฑ์มีเงื่อนไข ให้เกิดให้มีให้เป็นให้ดำรงอยู่ให้แตกสลายมันก็เป็นไปตามนั้นเพราะในแง่ของเนื้อหาธรรมะสรงชายก็มาขันธ์ธาตุอายตนะเป็นถือว่าโลกโลกหนึ่งแต่ละส่วนนั้นถือว่าเป็นโลกแต่ละโลกเพราะอะไรพระทั้งหมดเป็นสิ่งที่ จะ ต, ต้องแตกสลายทำลายไปเป็นธรรมดาเมื่อเป็นสภาวธรรมที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติมันก็อยู่ในกฎเกณฑ์สามประการที่เราเรียกว่าอุปาดธิติภังคขัตอุปาดัก็คือเกิดขึ้นการเกิดก็เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยต่างๆทั้งเป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ดำรงจุ จะนานหรือไม่นานก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของการเกิดและการดำรงอยู่แต่พอถึงจุดหนึ่งก็จะแตกสลายไปเราเห็นว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มของทุกขสัตว์เป็นธรรมาประเภทที่ส่งสอนว่าเป็นปริยาติประทับตาหูจมูกลิ่งกายใจ รูเสียงกยโสดภแต่เราต้องทำมาหลมันเป็นเข้ามันอย่างที่มันเป็นเราไม่พูดถึงดีไม่ดีแต่เราพูดอาจจะพูดว่าสวยไม่สวยสุขภาพดีไม่ดีเราจะพูดในแนวนั้นได้แต่ไม่ได้พูดในแนวของกุศลนกุศลเพราะจริงๆแล้วเขาเป็นสภาวะธรรมที่ตกอยู่ในกฎเกณฑ์ของ อนนีจังทุกขังอนัตตาในแนวตรงนี้เองบางทีคนไทยเราพยายามที่จะมองสอนให้คนได้สุขคิดหรือได้หยุดคิดมองกระบวนการของชีวิตจากภายนอกก่อนก็ได้ภายในก่อนก็ได้อย่างในกรณีของการมองจากภายนอกก่อน แต่ท่านสาธาชนทั้งหลายได้สังเกตเวลาเราไปในงานศพในส่วนต่างๆของกรุงเทพมหานครหรือแม้บางทีไปเจอที่ต่างจังหวัดมันเป็นคำสอนเตือนใจในแนวมนักสติปรากฏอยู่ที่ตลปัดสึงพระใช้บางหน้าเวลาสวด เป็นการบอกกล่าวในแนวการผิดพิจารณาตามหลักของพินหนาปัจเจกขณะที่เรียกว่าเอวังธรรมโอเอวังภาเวเวังนัตติโต้ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นสภาวะก็เป็นอย่างนั้นไม่มีการลวงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้แม้เราเองก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นการพูดรวมๆทั้งชีวิตบอกว่าไปไม่กลับหลับไม่ถึงนพื้นไม่มีนีไม่พ้น คำว่าไปไม่กลับโดยความหมายนี้หมายความว่าไม่ได้กลับมาในรูปแบบเดิมจึงแล้วในแง่ของสังสารวัฏมันคือมีการบุนบวนอยู่ตราบใดที่มีกิเลสมีกรรมการบุนบวีก็ต้องมีอยู่ตราบนั้นแต่ไม่เป็นการกลับมาในรูปแบบเดิมชั้นนายกอตักชนนายตาชันนายกอแล้วมาเกิดเป็นนายกอรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่จะกลับมาดยเงื่อนไขปัจจัยอีกอย่างหนึ่ง เป็นกระบวนการของกรรมที่ส่งสอนส่งแสดงไว้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมจำแนกแบ่งแยกให้เลีวให้ประนีแตกต่างกันเมงกระ บ, บวนการไปแล้วก็กลับอาจจะกลับมาสู่โลกนี้อาจจะไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้หรือจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นข้อยุติไม่ได้ แต่ไม่ได้กลับมาในแนวของสัตสตตทิจิคือเชี่ยงแท้แน่นอนตัวอย่างแล้วก็เป็นเครื่อไขของเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะเราไม่อาจหาข้อยุติได้ว่าจะเป็นอย่างไรในแต่ละกรณีแต่ถ้าตราบใดที่มีกิเลสมีกรรมก็สร้างขึ้นเป็นปฏิสุทธิวิญญาณมันก็เกิดมีการบุญบุญในในสังสารวัฏอีก ทงุปาในจุดนี้ว่าเหมือนกับบุคคลยอนโยนท่อนไม้ขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ตกลงมาที่พื้นแต่ตอนตกนั้นจะาปลายลงจะเอาหัวเอาโคนลงหรือเอากลางลงมันก็ว่ากันเป็นกรณีกันนีไปซึ่งแน่นอนว่าการที่เอาหัวลงเอาปลายลงเอาหัวลงเอาโคนลงหรือออกกลางลง พอเราเห็นแล้วมันอาจจะสืบสาวว่าทาไมจึงเอาปลายลงทําไมจาโจรพนลงทําไมโจรกลางลงพอสืบสาวไปได้ตามสมควรแก่ขณะนั้นๆมันอาจจะขึ้นอยู่กับวิธีการโจรหรือขึ้นอยู่กับน้ําหนักหรือขึ้นอยู่กับลมในขณะนั้นหรือขึ้นอยู่กับจังหวะมันก็ว่ากันไปแต่ความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเราจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นเป็นขณะ แล้วเมื่อโยนซ้ำๆซากๆปรากฏว่าตอนเอาลงนั้นเอาลงไม่เหมือนกันถึงก็หมายความว่าปัใจจัยในแต่ละขณะนั้นมีบทบาทสําคัญในชีวิตของเราก็ก็อยู่ในสภาพตรงนั้นเป็นลักษณะเหมือนกระแสน้นําที่ไม่ไหลย้อนกลับย้อนกลับมารูปแบบเดิมแต่จะกลับไปในกระบวนการอื่น การของการระเหยขึ้นไปก่อตัวขึ้นมาเป็นเมฆตกลงมาเป็นฝนนั่นก็คืออีกกระบวนการหนึ่งแต่ก็ไม่ได้กลับมาในแนวเดิมเป็นการหลับประการหนึ่งวิบว่าจริงแล้วการนอนหลับกับการตายมันก็ลักษณะคล้ายๆกันแต่การต า, ตายนั้นถ้าตายจริงๆก็หลับโดยไม่ตื่นขึ้นมาอีก ก็โดยในย่าที่กล่าวแล้วคือตื่นขึ้นมาในรูปแบบเปลวไม่มีการฟื้นถ้าตายจริงแล้วท่านก็มาสรุปรวมว่าทุกคนก็หนีไม่พ้นเราเห็นว่าตรงนี้เป็นคติธรรมเป็นการสอนเรื่องคติชีวิตถ้ามองแนวกรรมาฐานก็คือมรณสติหรือมรณา น, านุาสติช่วยคนตั้งสติระลึกถึงชีวิต เพราะแม้ของเราก็จะเป็นอย่างนั้นก็ไม่สามารถจะร่วงพ้นสภาพไปแม้กลับหลับไปถึงพื้นไม่มีหนีไม่พ้นได้ปัญหาสําคัญจึงไม่ไอยู่ที่เราจะตายเมื่อไร่จะตายอย่างไรจะตายชีทไหนหรือตายโดยวิธีใดเป็นเรื่องที่เราไม่อาจจะตอบได้ เราตอบได้แต่เพียงว่าเราจะทําอะไรจะทําอย่างไรทําไปเพื่ออะไรทําไปแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรคนอื่นจะได้ประโยชน์อะไรส่วนใดเป็นประโยชน์ในปัจจุบันส่วนใดเป็นประโยชน์ในการพายภาคหน้าส่วนใดเป็นนุมลิสัยปัจจัยแห่งมรรคผลนิพพานซึ่งข้อนี้ถ้าเรามองพื้นฐานความคิดของสังคม คนส่วนมากอาศัยแรงผลักดันของภา ะ, ะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นดิ้นรนควนควายเพื่อการเป็นนั้นเป็นนี่เป็นนนแต่จริงแล้วการเป็นทั้งหลายนั้นมาจากการกระทาเพื่อเกิดการเป็นขึ้นมาที่เราต้องการจะเป็นนักศึกษาที่จบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกมันก็อยู่ที่การทาคือการศึกษาแลาเรียนของเราอีก พอถึงจุดหนึ่งมันก็เป็นของมันเองการเป็นจึงเป็นผลรวมของการกระทาที่ก็ถึงความสมบูรณ์มันก็เป็นแต่่าเราไม่เข้าใจเงื่อนไขปัจจัยมันก็มีการดิ่นรนสแสวงหาการเป็นจากภายนอกและใช้การแต่งตั้งการมอบหมายจากผู้กดดันไม่ได้มองไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจในสิ่งที่เราทำเพราะปัญหาตรงนี้ พอมองเรื่องชีวิตคนจะมองว่าชาติหน้ามีไหมในนรกสวรรค์มีไหมตายแล้วเกิดอีกไหมชาติก่อนเราเคยเกิดเป็นอะไรเป็นตนสมมติว่าตอบได้บางก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเชนชาติก่อนเราเคยตกนรกมามันก็ตกแล้วมันแก้ไขให้ไม่ตกนรกไม่ได้ชาติหน้ามีหรือไม่ แต่เราจะเกิดเป็นอะไรที่จริงใครตอบไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับขณะจิตดังกล่าวสิ่งที่เราจะหาคำตอบก็คือตอบที่ปัจจุบันในขณะนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำดีเรื่องการกระทำชั่วเรื่องเราเป็นเรื่องการประพฤติปฏิบัติก็ตามในธรรมะปฏิบัติจึงมาเน้นที่ตัวปัจจุบันทั้งหมดอดีตก็กลายเป็นบทเรียน อนาคตเป็นเรื่องที่ตั้งใจไว้ว่าจะให้เกิดประโยชน์ถ้าเราชีวิตเราไปถึงตรงนั้นได้แต่ปัจจุบันเป็นเรื่องที่เราจะรับผิดชอบร ม, มองจอากนี้จะเกิดการดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทกลายเป็นคนที่เตรียมพร้อมตายเมื่อไรก็ได้ สํานวนทางพระพุทธศาสนานั้นท่านเรียกว่าเป็นผู้ไม่กลัวต่อประโลก <c oughs> คนที่ไม่กลัวต่อประโลกนั้นคือคนที่มีความมั่นใจมันก็เหมือนกันนักเรียนนักศึกษาที่ไม่กลัวการสอบคือสอบเมื่อไหรก็สอบกันสแสดงว่าเธอพร้อมเธอมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเหล่านั้นเธอพร้อมที่จะสอบตนที่ทในใด หรืคนที่มีความจานิจํานาในการประกอบอาหารในการทําขนมในการอะไรก็ตามน่าจะปากตักร้อยเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองและก็พร้อมที่จะไปปริบัภารกิจเหล่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดก็ตามความไม่ประมาทจึงทําให้มีลักษณะของการตื่นตัวความไม่ประมาเป็นอาการของสติ ที่ท่านเรียกว่าสติโลกาสมิชาคโรสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นในโลกนี้ชีวิตก็จะมีการเน้นย้ำอยู่ที่ปัจจุบันรับผิดชอบเฉพาะปัจจุบันให้ปัจจุบันให้ดีที่สุดเมื่อปัจจุบันกลายเป็นอดีตอดีตก็จะเป็นการย้อนลึกหวนลึกที่เกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งวันนี้ท่านสาชนตลายจิตว่าพอมถึงจุดนี้มันก็กลายเป็นนุสติอีกข้อนหนึ่งอีกสองข้อคือศีลานุสติกับจากขานุสติศีลานุสติการตั้งส ต, ติเราลึกถึงศีลของตัวเองเป็นเรื่องอดีตแต่ถ้าระลึกแล้วเกิดปีติเกิดปราโมทเกิดความสงบเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาได้จะต้องเป็นศีลที่ดี เป็นลที่รักษาไว้ถูกต้องสมบูรณ์ไม่มีปัญหาไม่มีความบกพร่องไม่มีความผิดพลาดถ้ามีปัญหาบกพร่องผิดพลาดก็แก้ไขไปแล้วหรือจากคการเสียสละที่เรายอ้อนลึกเรื่องอดีตมันทำไปแล้วทำไปตั้งนานแล้วแต่ลึกถึงแล้วเกิดความภาคภูมิใจซึ่งขณะสั้นๆที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าอปปะป ร, ประเจตนา คือเจตนาที่เกิดขึ้นหลังจากกระทำไปแล้วให้ทานไปแล้วรักษาศีลไปแล้วปฏิบัติธรรมไปแล้วนั่งสมาธิไปแล้วช่วยเหลือคนอื่นไปแล้วแล้วก็นำเรานั้นนำสิ่งเ่านั้นมาหัวนระลึกมาย้อนระลึกก็ให้เกิดเป็นปีติเป็นปราโมทย์เป็นความสุขเป็นความสงบเป็นความเย็นขึ้นมาข้อนี้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากใจที่อยู่ด้วยความไม่ประมาท เพรแนวกรรมาฐานที่เรียกว่าอนุสติอนุสติทั้งหลายจึงมีการระลึกหมดในกลุ่มของเรียสัตว์ระลึกในแนวของสิ่งที่เรียกว่าเป็นทุกขสัตว์เช่นมรณะสติเช่นอนาปานสติระลึกถึงลมหายใจเข้าออกระลึกถึงความตายเป็นเรื่องของทุกขสัตว์ระลึกในแนวของสมุทัยสัตว์ ซึ่งตามปกติแล้วจะทำให้เกิดการลดละการสมบรวมการระวังเป็นการมองกลับเช่นพวกเทวตานัสติหรือถึงธรรมที่ทำให้บุคคลเทวดาหมายความว่าถ้ามีก็ทำให้เป็นเทวดาถ้ามไม่มีก็จะทำให้ตกนรกหมกไม้ะสบความทุกข์ การไม่มีคุณธรรมที่ทําคนให้เป็นเทวดานั้นเองที่จริงก็คือมีมีสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลมันคล้ายๆกับไม่มีแสงสว่างก็แสดงว่ามีความมืดหรือบอกว่าไม่มีความมืดมันก็บ่งบอกว่าตรงนั้นมีแสงสว่างนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อนํามาระลึกแล้ว มันจะทำหน้าที่ลดตัวสมุทยัยคือตัวทุกขใ์ใ้แล้วก็เพิ่มตัวมอักพระอาจจะมองที่ตัวบุคคลเช่นพระพุทธเจา้าพระอริยสงฆ์มองจากธรรมะเช่นองค์ธรรมแล้วมองจากผลเช่นอุปสมานวิสิก์คือมองจากตัวนิโรธก็แสดงว่าในแนวตัวนั้นก็ใช้เป็นกรรมฐานหมดทั้งสีกลุ่ม เพียงแต่ว่าใครถนัดที่จะใช้อารมณ์อะไรก็ใช้ราลึกเพื่อให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจในอการอารลึกตามนัยยะที่เป็นคำซึ่งใช้ประชาสัมพันธ์หรือว่าบอกกล่าวกันแพร่หลายดังกล่าวนั้นพอเราเกิดพิจารณามันก็กลายเป็นกระบวนการของริยสั์ทันที ทำไปไม่ดับรับไม่ถึงพื้นนันมีหนีไม่พ้นั้นเป็นการชี้สภาวะธรรมโดยเฉพาะาจริงคือชี้ตัวชีวิตเราอ่านหรือคิดกลายเป็นสมาสังกปะคือคิดชาะตั้งสติระลึกเป็นสมาสติพยายามคิดเป็นสมาวายาม์จนที่จสงบเป็นสมาสมาธิ เกิดเห็นชอบตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นก็กลายเป็นสมาธิมองเห็นว่าชีวิตนั้นเป็นกระบวนการของกรรมที่จบลงที่ตายวันนี้คนนั้นตายต่อไปเราก็ตายญาติพี่น้องเราตายวันนี้เราเผาศพคนอื่นวันอื่นคนอื่นก็เผาศพเรา คนที่เราเผาศพเขาเขาก็ไม่มีโอากาสมาเผาเราคนที่เผาเราเราก็ไม่มีโอากาสที่จะช่วยเผาเขาแต่ว่าต่างก็เป็นครูให้แก่กันและกันเป็นการกระตุ้นเตือนกันและกันในเกิดสำนึกสำเนียกถึงความจริงส่วนดีก็จะมีการสํารวมระวัง จะกลายเป็นสมาวิจารสมาการตาสมาชีวะนี่แม้ความมรรคธรรมคือเริยสัตว์ก็เกิดขึ้นตามสมควรแก่ระดับนั้นๆเราจะเห็นความจางไปคลายไปบรรเทาไปของกิเลสเราจะเห็นใจที่สัมผัสความสุขความสงบความปิติประโมทซึ่งเป็นอาการของนิโรธ ก็แสดงพอใช้ปัญญาปนิพิจารณาแล้วกระบวนการของอริจจก็เคลื่อนไหวหมดทั้งทั้งสี่ข้อสิ่งที่เราพิจารณาเป็นทุกข์ษัตริย์การตั้งสติพิจารณาเป็นมรรคษัตริย์ถึงบางครั้งบางคราวพระเจ้าทรงแสดงถึงทุกข์กับความดับทุกข์แต่บางคราวไม่แสดงอย่างนั้นก่อนนิพพานนั้นจะมาสรุปที่อริย ที่อะเร ม, กมักใองค์แประการเท่านั้นเองหมายความว่าด้วยการใช้ปัญญาพินิจพิจารณานั่นเงองกระบวนการของบริษัทก็จะเคลื่อนไหวไปปริมาณของมรรสสัมผัสได้ลึกขนาดไหนกิเลสมันก็ลดไปขนาดนั้นทุกข์ก็ลดไปขนาดนั้นนิโรธก็จะเกิดขึ้นระดับนั้นกลายเป็นลำดับขั้นตอนของการศึกษาและก็การประพฤติปฏิบัติ ผลกลุ่มของทุกษัตย์จึงเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติแต่เราสามารถจะเรียนจะดูจากอะไรก็ได้พระบางรูปท่านพิจารณาพายับแดดเดินไปกลางแดดพิจารณาดูพายับแดดนั่งอยู่ริมแม่น้ำพิจารณาฟองน้ำพิจารณาตัวน้ำพิจารณากระแสน้ำพิจารณาตอมน้ำ แล้วจะพิจารณาในแนวใดถ้ามีการเพ่งตั้งสติระลึกเพ่งอยู่ที่น้ําก็เป็นเอาโปกสินเป็นสมถะกรรมฐานจเจาหนีการไหลของน้ําเป็นเป็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ทยอยกันไปแมกกาซีนก็กลายเป็นวิปัสสนากรรมฐานดูการกระทบของน้ํากลายเป็นฟองน้ํา ไหลปริยัติหนึ่งแล้วก็ดับปรากฏการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปของฟองน้าเกิดขึ้นจากการกระทบถ้าไม่มีการกระทบฟองมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อฟองไม่เกิดการตั้งอยู่ก็ไม่มีเมื่อการตั้งอยู่ไม่มีความดับก็ไม่มีก็ทำให้เห็นอีกภากหนึ่งอีกภาคหนึ่งของการไม่มีฟองน้า ก็คือการไม่มีสิ่งกระทบทฤษฎนว่าแนวคิดตรงนี้มันก็สร้างปัญญาระดับสุดยอดได้เกิดขึ้นภายในจิตใ จ, จของบุคคลแม้ดูเฉพาะจุดกระทบยันที่ก็เล่าเรื่องพระปัจเจกพะพุทธเจ้าทั้งหลายที่ท่านมองอะไรเล็ก ๆ, ๆน้อยๆบางทีก็มองกำไรที่กระทบกันในมือของคน ส่วหญ่ว่าปัญหาทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นจากการอยู่ร่วมกันแต่ถ้าไม่มีการอยู่ร่วมกันการกระทบก็ไม่เกิดขึ้นเรนก็พิสูจน์ได้โดยการดึงกำไรอีกข้างหนึ่งออกไปจากมือใ้มือนั้นมีกำไรข้างเดียวมันก็ไม่มีเสียงหลังจากนั้นก็ขยายฐานความคิดกระจายออกไปเรื่อยๆจนมองเห็นปัญหาต่างๆว่าเกิดขึ้นมาจากการกระทบ ตรงนี้ดูแล้วกล้ๆไม่มีอะไรแต่ท่านสาธาชนทั้งหลายเจ็นว่ามันเข้ากระบวนการอริยศ า, ศาสตร์เข้ากระบวนการปัจจัยการแล้วเข้าเป็นปฏิจจสมุปบาทแล้เพราะรายการกระทบนั้นมันต้องมีภายในภายนอกด้านเดียวมันกระทบไม่ได้คล้ายๆกับที่เราพูดว่าประมือเครื่องเดียวไม่ดังเพราะอายตนะภายในภายนอกมันก็กอให้เกิดการกระทบเป็นสัมผัส พอสัมผัสมันก็กลายเป็นเวทนาคือการโวอยอรารมณ์การรู้สึกอารมณ์ถ้าเราชอบมันก็เกิดสุขเวทนาถ้าเราไม่ชอบก็เกิดทุกขเวทนามันก็เกิดเป็นตัณหาคืออยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งที่เราชอบกรมตัณหาเพระวนตัณหาก็เกิดพอเจอเวทนาที่เราไม่ชอบพิพัาตัณหาก็เกิดก็แสดงว่าชอบก็เกิดตัณหาไม่ชอบก็เกิดตัณหาเสร็จแล้วก็่อยเกิดการยึดการยึดด้วยความชอบความไม่ชอบ พอไปเจอสิ่งไม่ชอบข้าวสัมผัสมันก็เกิดอีกเกิดเป็นทุกขเวทนาอีกเกิดตัณหาที่จะให้ออกไปอีกแล้วก็ยึดอีกก็กลายเป็นยึดเป็นมิตรเป็นศัตรูแล้วก็เดือดร้อนเพรความเป็นมิตรเป็นศัตรูเดือดร้อนเพราความเจริญของศัตรูเดือดร้อนเพระความเสื่อมของมิตรแต่ส่วนนั้นวนแลแต่สืบเนื่องมาจากการกระทบก่อน เล็กกระบวนการการยติกก็เกิดขึ้นก็กลายเป็นอุปท า, านเราสร้างขึ้นมาเป็นพบเป็นสถานะคนนั้นเป็นพวกเราเพื่อนเราเป็นเราแล้วกลายเป็นตัวผลักดันใ้การบังเกิดในพบต่ตางๆตามปริมาณของกุศลและกุศลที่มีอยู่ภายในจิตใจเพราะนั่นจะเห็นได้ว่าแต่และอย่างเป็นครูในการศึกษาแล้วเี็ ธรรมชาติเ้าก็เป็นธรรมชาติไม่ไปแตะต้องอะไรเขาเขาอยู่อย่างที่เขาอยู่เพียงแต่เราเรียนสัจจะของชีวิตจากเขาเพราะเราก็คือดินน้ำลงไฟอากาศเขาก็คือดินน้ำลงไฟอากาศเราเป็นส่วนหนึ่งของดินน้ำลงไฟอากาศเพราะจึงแล้วเราก็เป็นอันหนึ่งเดียวกับเขาเขาก็เป็นเช่นเดียวกับเราเราก็เป็นเช่นเดียวกับเขาเพราะเราเรียนซึ่งกันและกันได้ งแต่ว่าสิ่งไม่มีชีวิตเราเรียนในแง่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งมีชีวิตเราเรียนในแง่เกิดแก่ตายแต่อย่างนั้นล้วนแล้วแต่เพิ่มพูนสติสัมปชัญญะของผู้คิดเปนิพนธ์นาให้สูงขึ้นจะทำให้ความยึดมัน่นตื้มั่นจางไปกลายไป ไม่ใส่ใจในสัมผัสบางอย่างการกระทบบางอย่างกระทบก็กระทบแต่สิ่งนั้นก็ตกไปจากใจโดยการใช้สติสัมปชัญญะระลึกรู้ถึงความจริงของสิ่งนั้นสิ่งอะไรที่ควรเก็บไว้ก็เก็บสิ่งอะไรที่ไม่ควรเก็บก็ปล่อยก็วางก็ลดกละลงไปใจก็อยู่กับใจใจก็อยู่กับตัว มีสติสัมปชัญญะเข้ากำกับมองสิ่งทั้งหลายในแง่ของความรู้เท่ารู้ทันตามความจริงสาระประโยชน์ของชีวิตหรือการใช้ชีวิตก็จะเพิ่มพูนขึ้นทำให้บุคคลไม่กลัวต่อประโลกเพราะมัน่นใจว่าตายแล้วก็ไม่ต้องตกนรกเป็นอย่างน้อย นั้นธรรมะปฏิบัติทั้งหลายอย่าเริ่มตรงใดนั้นไม่สำคัญอะไรแต่ประเด็นว่าการคิดการพิจารณาการศึกษาการทำความเข้าใจหรือการทำความส ง, งบกระดับถ้าผู้ปฏิบัติได้เห็นการจางไปคลายไปบรรเทาไปของกิเลสการเพิ่มพูนขึ้นของธรรมะแล้วชื่อว่าดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางของ าริยสัทั้งสประการที่มีผลสูงสุดอยู่การอยู่ที่การหมดไปสิ้นไปของเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ที่ท่านเรียกว่นนานิพพานคือการดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุดต่อไป